ขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตต ะ, ะปภะบุพพสิกขาและบุพพสิกขาวันนาพระอมราธิรคิตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวาสรันาต่อไปจแสดงในวินยัตซึ่งมาในอัตถกถาแห่งกุติการัสิกาบทเรื่องของการขอกับบุคคลผู้ไม่ใช่ญาต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 การจะพึงทำในวัดมีก็คือการงานเนี่ยในวัดมีท่านจงให้หัตกรรมในการงานนั้นดังนี้เถิดชาวนาเขาถื อ, เ, อเครื่องอุปกรณ์เป็นต้นว่าผานไถเพื่อจะไถหรือว่าวานหรือเกีียวหรือเขาขวนขวายในกิจของเขาอยู่แล้วหรือคนพวกอื่นจะขอหัตกรรมแก่เขานั้นควรแท้แต่คนกินเดนหรือว่าคนอื่นไม่มีการงานพูดแต่คาคือพูดมาก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 พึงให้เขาเอาของทั้งปวงที่ไม่มีเจ้าของห่วงมาใช่แต่จะให้เขาทําปราสาทอย่างเดียวแม้จะให้เขาทําเตียงตังบาตรผ้ากรองน้ํารรมะกรกและกัจีวรเป็นต้นได้ของเป็นต้นว่าไม้และโลหะและได้แล้วพึงไปหาช่างสิ่งนั้นๆแล้วของหัตถกรรมอย่างว่าแล้วเถิด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 ต้องการน้ำมันเช็ดบาทระบบใหม่เข้าไปในบ้านเขาสําคัญว่ามาบินธบาตเขาน้อมเข้าวต้มหรือว่าเข้าวสวยเข้ามาเพิ่งเอามือปิดบาทเสียถ้าอุบาสิกาเขาถามว่าทําไมจึงปิดบาทเสียดล่าเพิ่งบอกว่าบาทระบบใหม่ต้องการน้ํามันเช็ดถ้าเขารับเอาบาทไปทาน้ํามันแล้วจัดข้าวต้มหรือว่าเข้าวสวยมาถวายไม่ชื่อว่าเป็นวินยัตควรรับเพราะว่าไม่ได้มีการขอ การเอ่ยปากอะไรนะถึงแต่ว่าไปบินทบาตโดยที่บาทระบบใหม่ถ้าไปผิดเวลาที่เขาก็น่าจะถามแน่ๆนะถ้าก็ถามแล้วบอกได้หมดเลยไม่คิวว่าเป็นวิยัาตตอบคาถามพิกตู่ไปบินทบาตแต่เช้าไปที่โรงฉันไม่เห็นอาชนะยืนอยู่อุบาลิกาเขาเห็นยืนอยู่เขาให้คนเอาอาชนะมาปูเองนั่งแล้วเมื่อจะไปพึงบอกก่อนแล้วจึงไป แม้ไม่บอกก่อนแล้วไปอาสนะหายไม่เป็นสินใช้ดอกแต่บอกเสียแล้วจึงไปนั้นเป็นวัดถ้าแม้ทิตุใช้ให้เขาเอาอาสนะมาเขาจึงเอามาพึงบอกก่อนแล้วจิงไปไม่บอกก่อนไปเสียเป็นวัตถเพศด้วยวัตถเพศนี้ต่องอบัตุ ก, กฎหายไปก็เป็นสินใช้ด้วยแม้ผ้าโกเชาเป็นเครื่องราดก็เหมือนกันอย่างนั้นแมลงวีชุมพึงกล่าวว่าท่านต้องเอาพัด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 จะกล่าวว่าท่านจงเอาน้ำมาแต่เรือนไม่ควรเลยเป็นวิน ญ, ญาตได้นะเขาเอามาให้แต่เรือนด้วยบังคับน้ำยาฉันน้ำเนี่ยไม่ต้องประเทมก็จริงแต่ว่าถ้าน้ำเป็นของมีเจ้าของนี้อันนี้ก็จะต้องขอไม่ได้ขอเอ่ยปากไม่ได้ก็จะเป็นวิน ญ, ญาตเหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงการเล็กแล้วน้ำมีพ้นจากการเล็กทั้งสี่เรียกว่าการเล็กวมุตนะนะพ้นจากอาลิก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 จะให้เขาเอาโคมาแต่ที่ใช่ญาติและใช่คนปรณนาก็คือคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนปรนนาก็คือคนที่ไม่ใช่าติไม่ใควรเมาคื่อมห้เขาเอามาเไม่คมเคาาปรนทุกกคืะขอแต่ญาติไม่คนปรนนากพื่อขาดช่าต็ไม่ควรจะขอยืา ม, มาควรในที่ไม่งป่ญาตมาใช้คลยนาคนที่ไม่ได้่้ายืมมาช่คราวอคนี่ได้ขอมาสม่วนตันเลกไม่ไดนยื่มโคเขามาอย่างนีาแล้วพึนรีกษาปฏิบัาติแล้วช่คนนนา้็คือคนที่ไม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 ตามบบททุกกฎยัดนี้แต่ขอในที่ญาติและคนประวรณาควรอยู่จะขอยืมก็ควรทำการและพึงคืนให้เขาถ้าโกงเป็นต้นหักไปพึงทำให้เป็นปกติแล้วคืนให้เมื่อหายเป็นตินช้เมื่อเขาว่าถวายแก่ท่านทีเดียวชื่อว่าเป็นเครื่องไม้จะรับควรอยู่แม้ในมีดและขวานพึงจอบเหล็กชัยก็เหมือนกันอย่างนั้น ในถาวนเป็นต้นที่คนอื่นห่วงอยู่ควรเป็นครุ์ได้เป็นวิญยัตตามลงไปกว่านั้นไม่เป็นคือของที่เขาห่วงเอาไว้ใช้ถอยอยู่นะถาวันก็คงจะประมาณทุกจุแปดนิ้วขึ้นไปแต่จะให้เขาเอาวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่มีคนหวงมาควรอยู่ด้วยว่ากล่าวว่าเป็นวิญญัตแต่ในของที่เขารักษาและห่วงอยู่อย่างเดียว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 จะทำเสนานุสนาเช่นนี้ควรหนอชอบหนอสมควรหนอดังนี้ชื่อว่าปริถัถาเหมือนกับว่านล้อมแต่อนุญาตไว้ถามอุมาศว่าท่านอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่ประศาสและพูดต่อไปเป็นต้นว่าปราศาสไม่ควรแก่ที่สุดทั้งหลายดอกกระมังหรือว่าไม่ควรแก่ที่สุดทั้งหลายหรือดังนี้ชื่อว่าโอภาเห็นมนุษย์มาเกี่ยถึงเชือกและให้เขาตอกหลักเขาถามว่าผู้เป็นเจ้าทําอะไร กล่าวว่าจะทําอาวาสในที่นี้ทําอาการดังนี้เป็นต้นชื่อว่านิมิตกรรมทําเครื่องหมายส่วนในที่ลานะปัจเจียเนี่ยยารักษาโรคนี้แม้วินยัตขอเขาก็ควรเมื่อป่วยปริปัถาเป็นต้นก็ไม่ต้องว่าเลยยารักษาโรคนี้ถ้าป่วยมีปัญหากข็ขอกับใครก็ได้ไม่ใช่เป็นญาติไม่ใช่เป็นปรนารขอได้ทั้งนั้นเดินเข้าร้านขายยาขอก็ยังได้เลยไม่ผิดพระวินัยถ้าป่วย วิญญาติคถาก็จบต่อไปก็จะกล่าวในเมนธะกะบัญญตัติเมธะกะบัญญตัติบัญญัติของเมธะกะเศรษฐีนะบัญญัติที่มีเมธกะกเศรษฐีเป็นต้นเหตุเรื่องของการเอาเงินทองวางไ้ในมือของวิทยุจกรให้เขาจัดการดูแลให้ข้อหนึ่งอีกทรงอนุญาตไว้ในเมนธะกะบัญญตัติว่าสันติพิฆเวมักคาข้อความละ พันตุงอนุชานามิพิขเวข้อความละตาเถยยังปริเยติตุงข้อความละอีกสันติพิขเวมนุษย์ศัทธาประสานนาเตกัิยาการกานัง ห, หัดเถหิรัญยสุวรรณังอุปนิกิปันติข้อความละอนุชานามิพิขเวข้อความละยังตโตกัิยัง ต, ตั ง, ตงสาติตุงข้อความละวะดามิแปลว่า ดูความพิสูจน์ทั้งหลายมีอยู่หนทางกันดารมีน้ําน้อยมีของฉันน้อยหาไม่ได้ง่ายยากอยู่ที่จะไปด้วยการไม่มีทะเบียงเราตถาคตอนุญาตให้หาทะเบียงเดินทางต้องการด้วยข้าวสารเพึงแสวงหาข้าวสารต้องการดึกเกลือพึงอแสวงหาเกลือต้องการถั่วเขียวพึงอแสวงหาถั่วเขียวต้องการถั่วราชมาศเพึงแสวงหาถั่วราชมาศต้องการน้ําอ้อยพึงอแสวงหาน้ำอ้อยต้องการน้ํามันพึงอแสวงหาน้ํามัน ต้องการเนยใสพึงแสวงหาเนยใสดูก่อนที่สุดทั้งหลายมีอยู่มนุษย์ทั้งหลายซึ่งมีสัทธาเรื่องใสเขานั้นตั้งเงินและทองไว้ในมือแห่งกัปปิยะการรบทั้งหลายว่าได้ของนี้สิ่งใดควรแก่พระผู้เป็นเจ้าท่านจงถวายสิ่งนั้นดังนี้เราจะถ่ายทอดอนุ ญ, ญาตสิ่งใดเป็นของควรแต่เงินและทองนั้นคือเป็นกัปปิยะเนี่ยทองที่ได้มาเป็นสิ่งที่สมควร จากเงินทองนั้นให้ยินดีสิ่งนั้นและเราตถาคตไม่กล่าวว่าพึงยินดีพึงแสวงหาทองและเงินโดยปริยายอันหนึ่งอันใดเลยทีเดียวในการแสวงหาสเบียงนั้นท่านอนาจจะกถากล่าวไว้ว่ า, วาถ้าทายกบางจะพวกเขารู้เขาถวายเองเป็นการดีถ้าเขาไม่ถวายซต์เพึงแสวงหาแต่ที่ญาติหรือว่าคนปวารณาหรือด้วยพิษฐาจาระวัตเมื่อไม่ได้ด้วยประการนั้น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 ยินดีแต่กับยะกษ์พันอย่างเดียวจะทวงแม้ตักพันผลก็ควรถ้าเป็นกับยักษารกที่เจ้าของทรัพย์เนี่ยเจ้าของเดิมเขาเป็นคนจัดการแต่งตั้งให้เลยนะแล้วก็ส่งทูตมาบอกบอกให้ทิศสุรุนจะทวงพันครั้งก็ไม่เป็นไรไม่มีกําหนดดังในราชาสิขาบทในราชาสิขาบทนั้นหมายถึงทิศชี้กับยักษารกเองเพราะฉะนั้นก็ต้องเกรงใจเขาขอได้ทวงได้ไม่เกินสามครั้งยืนได้ไม่เกิน6กครั้ง หรืว่าทวงอย่างเดียวก็หครั้งยืนอย่างเดียวก็สิบสองครั้งแต่ถ้าทั้งทวงทั้งยืนก็ยืนได้สามครั้งทวงได้ไม่เกินหกครั้งถ้ายิ่งปร่นั้นได้จีวรมาก็เป็นนิสสกียาไปจิตตีอันนั้นหมายถึงพิจุไปแสดงกับพิยาการกเองถ้ากับพิยาการกเขาไม่ให้พันดะา ก, ากับพิยะใช้พึงตั้งคนอื่นให้เป็นกับพิยาการกนํามาถ้าพิจุยังอยากปรารถนาอยู่ก็พึงบอกแก่เจ้าของมูลเดิม ถ้าไม่ปรารถนาไซก็อย่าพึงบอกเลยไม่ให้ก็ไม่ให้ก็แล้วแต่เท่ากันถือว่าเป็นผลของกรรมส่วนกับพิยการกที่เจ้าของมูลค่าเขาไม่ได้บอกแกพิจุหรือไม่ได้สั่งพูดให้บอกแกพิจุเป็นแต่เขาให้กันเองต่อหน้าพิจุรับหลังพิจุแล้วเขาก็ไปกับพิยการกเช่นนี้พึงปฏิบัติดังคนไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนปรณานถ้าเขาให้กับพิยะพันธ์เองก็พึงรับถ้าเขาไม่ให้ก็อย่าพึงว่าสิ่งใดๆเลย ถ้าเกิดเจ้าของมูลค่าเขาไปตกลงกันเองว่าให้ช่วยดูแลพระทิศุให้จัดของให้พระทิศุแต่ว่าเขาไม่ได้มาบอกพระทิศุหรือว่าไม่ได้รงพูดมาบอกนี่พระทิศุจะไปทวงยังไงกับเขาก็ไม่ได้อันนี้ให้ไปบัดเหมือนกับคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนปโปรนาไว้เมนทกะปัญญัติกถาจบเรื่องของเมนทกะบัญญตัติต่อไปก็จะเป็นเรื่องของโคประกัดทานโคประกัดทานก็มหมายถึงผลเี้เาเฝ้าสวนให้ให้ทาน ก้อหนึ่งอีกทรงอนุ ญ, ญาตไว้ในวินิจตวัตถุแห่งอธินาธานว่าอนาปฏิพิเวโคปะตศดานีแปลว่าไม่เป็นอาบัติเพราะคนเฝ้าสวนเขาให้คนเฝ้าสวนเขาให้อย่างไรจึงควรให้อย่างไรไม่ควรเริ่มหาจุมณเถระกล่าวขวัญว่าของสิ่งใดเจ้าของกำหนดให้คนผู้เฝ้าว่าจงถือเอาแต่เท่านี้ทุกๆวันของนั้นควร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 เรียนพร้อมกับพระสุมระครั้งหนึ่งเก้ารอบแล้วก็เรียนเองต่างหากอีกเจริญกับอาจารย์อีกเก้ารอบเป็นพระเถระทรงพระตระีศิอยู่ในลังกาเนี่ยแหละทรงวิ่งในในอัตถากุรุนทีกล่าวว่าเด็กรักษาสวนหรือว่าพลาผลอันอื่นแห่งมนุษย์อยู่ของที่เด็กนั้นให้ก็ควรแตยังให้เด็กเอามาให้แต่ช้ให้เอามาให้ไม่ได้ผู้เฝ้าสวนของสงหรือว่าของเจดีไปรักษาอยู่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 แต่ผู้เฝ้าสวนรักษายอยู่ให้ควรทั้งสิ้นคำทั้งสวงนั้นต่างกันโดยพยัญชนะโดยเนื้อความก็เป็นอันเดียวกันแท้เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาเพิงรู้อธิบายถือเอาเถิดอันหนึ่งพึงรู้วินิจฉัยในการบริโภคผลอันนี้ด้วยในที่ใดเจ้าอาวาสก็คือพิกษุเจ้าถิ่นเนี่ยไม่ให้แกอคันตุกะเมื่อวาระผลถึงเข้าแล้วเห็นว่าทิุอื่นไม่มีจิงแจ ก, กัน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 หวงแล้วกอ น, น้อมเข้าไปด้วยดีในปัจจัยในต้นไม้นั้นอ า, านรรกะพึงตั้งอยู่ในกติกาแห่งเจ้าว่าแต่ว่าในมหาปัญ จ, จรีว่าต้นไม้เขากำหนดถวายเพื่อปัจจัยสี่ลักฉันด้วยแยจิตให้พระวินัยทรพึงตีราคาของปรับอบัติกระเธอเมื่อเธอแจอกันฉันด้วยอำนาจบริโภคเป็นพันดััยแต่ต้นไม้ใดเขากาหนดเพื่อเสนาฐนะต้นไม้นั้นเมื่อแจอกันฉันด้วยอนานาจ บริโภคเป็นทัวัยด้วยแล้วก็เป็นพันธุไทยด้วยตรงใช้คืนเขากำหนดไว้เพื่อเป็นเสนาะชนะต้นไม้เขาอุทิศถวายเพื่อเป็นข้าจีวรพึงน้อมเข้าไปในจีวร อ, อย่างเดียวถ้าข้าวแพงที่สุดํำบากด้วยบินบาทแต่จีวรหาง่ายจะทําอัปโล ก, กนกกรรมคือประกาศเพื่อสงห็นดีแล้วน้อมเข้าไปในบินบากก็ควร เมื่อพิสูจน์ลำบากด้วยเสยนาสนะหรือว่าคีลานาปัจจัยจะทำอัปโลกน ก, กรรมเพื่อสองเห็นดีแล้วน้อมเข้าไปในปัจจัยนั้นก็ควรกันแม้ของเขาอุทิศถวายเพื่อเป็นค่าบินธบาหรือว่าคีลานาปัจจัยก็เหมือนกันอย่างนั้นแต่ของเขาอุทิศถวายเพื่อเป็นค่าเสนาสนะเป็นครุพันของหนักถึงรักษาห่วงแล้วน้อมเข้าไปเพื่อเสนาสนะอย่างเดียวถ้าข้าวแพงพิกูุนทั้งหลาย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 ปั จ, จัจสี่มาเป็นค่าอาหารนะไรต่างเพื่อจะดูแลเสนาสนะที่เหลือดีๆทั้งหลายต่อไปก็อนุญาตเพราะเหตุนั้นเสนาสนะอันหนึ่งหรือว่าสองอันที่เร็วยกแต่เสนาสนะที่ดีเสียควรจักสละเพื่อเป็นบินทบาแต่อยากทำให้ขาดมูลแต่ต่วนใดนที่เขานิยมหรือว่าเขากาหนดถวายเพื่อปั จ, จัจทั้งสี่ในตัว น, นั้นไม่ต้องทาอปโลกนกรรม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 แม้ผู้นั้นให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นจะรับไม่ควรเพราะว่าสิทธิสงให้เท่าไรหรือว่าตรงกันว่าอนุ ญ, ญาตให้บริโภคเท่าไรก็จะไปถวายพระจุก็ได้เท่านั้นนะนะแต่ผู้ใดเช่าสวนไปแล้วให้กับพญาพันธ์แก่สงอยู่เพื่อปัจเจี๋ย 4, ผู้นี้จะให้แม้มากก็ได้เพราะว่าเขาเช่าไปทั้งหมดแนาวนี่เป็นธรรมสิทิ์ไปเลยแม้สวนเขาถวายแก่เจดีเพื่อเป็นข่าประทพีบหรือสําหรับซ้อมแปลงที่สหันพัง ต้องปฏิบัติระวังหรือให้ข้าเจ้าให้เขาปฏิบัติระวังแต่ในส่วนนั้นจะให้ข้าเจ้าแม้เป็นของเจดีและเป็นของสงก็ควรเอาของเจดีหรือว่าของสง์ให้เป็นข้าเจ้าก็ได้ผู้อยู่รักษาสวนด้วยข้าเจ้าและผู้ที่เช่าสวนไปให้กับิยะพัน์ก็ดีเขาให้ผลไม้ที่เกิดในสวนนั้นให้พึงรู้โดยอย่างกล่าวแล้วเถิดโคประกทานะตถาจบเรื่องของคนเฝ้าสวนที่ถวายทาน ต่อไปจะเป็นการแสดงในธรรมิการักษาซึ่งมาในอนาปติวาระก็คือการขออารักขาที่เป็นธรรมนั่นเองซึ่งโดยตรงก็อยู่ในเรื่องของพิกจุนีแห่งพิกจุนีปฐมสังขาริเศษเครื่องปรมสังขาริเศษนะต้นเหตุก็คือพิกจุนีรูปหนึ่งชื่อถุรนันทาไปฟ้องร้องโรงศารกับบุตรของคณาบดีพ่อของเขา ถวายองเก็บของอ่นะแต่ว่ามาถึงลูกแล้วลูกไม่ยินยอมด้วยลูกกับหลานนะทางบดีก็บอกว่าถวายแล้วแต่ว่ามาถึงลูกก็ไม่ถวายอะ่ะก็เลยไปฟ้องศาลกันฟ้องศาลศาลก็เลยถามนางพิกจตณีเ้าถวายกับพิจตณีในหมู่สงพิกจตณีสงมานะบอกว่ามีที่ไหนการว่าเขาถวายธงทานหรือว่าถวายรงเก็บของแล้วเนี่ยจะต้องทําเป็นลายลักษณ อ, อักษรมีที่ไหน ถวายสงฆเนี่ยนะก็ตัดสินให้เป็นของสงฆไต่ก็เลยพวกบุตรเคราบดีที่ก็แพ้ไม่พอใจถูกปรับด้วยนะถูกปรับศาสนา ก, ก็เลยเปิดสร้างปัดให้พวกเจรกักะให้มาทําปุ่นวายกับพิษุณีกระโดนฟ้องอีกสามครั้งเลยนะไปฟ้องสามคั้งถูกปรับก็เลยเป็นเรื่องเบียดาวกันเป็นต้นเหตุทําให้บัญญัติว่าไม่ให้ไปฟ้องร้องจอบจงเข้าโรงศานอะไรต่างๆเหล่านี้ น, นี่มีอบัติมีโทษ ทิตุเมื่อจะขออารักขาความรักษาอันชอบธรรมจากปารลบการเป็นอดีตหรือว่าอนาคตจะบอกเจาะจงตัวไม่ควรปรารลบการเป็นอดีตบอกเจาะจงก็มีไม่เจาะจงก็มีปรารลบการเป็นอนาคตบอกเจาะจงก็มีบอกไม่เจาะจงก็มีเด็กชาวบ้านหรือว่านักเลงเป็นต้นผู้ใดผู้หนึ่งมาประพฤติกิดอนาจารอนาจารหมายถึงประพฤติไม่ดีไม่ชอบในวัด หรือว่าตัดต้นไม้หรือว่าลักเอาพลาผลไปหรือว่าแย่งชิงบริขารในวิหารแห่งที่สุงที่สูเข้าไปหาตุลาการกล่าวว่าในวิหารท้าพรเจ้าเขามาทำอย่างนี้ตุลาการถามว่าใครก็บอกว่าคนโน้นอ่ะคนโน้นคนโน้นชื่อนั้นชื่อนั้นอย่างนี้ชื่อว่าปารกการเป็นอดีตบอกจะส่งตัวไม่ควรถ้าตุลาการเขาได้ยินคานั้นเขาปับไหม เรียกมาปรับนะแก่ผู้ทาร้ายนั้นทั้งปวงเป็นสินใช้แก่ทิจุทิจุต้องชอดใช้ด้วยนะแม้เมื่อประสงค์จะให้เขาปรับไหมมีคือมีเจตนาจะให้เขาปรับไหมด้วยเป็นแต่สินใช้อย่างเดียวถ้าแลกล่าวว่าอันนี่หมายถึงว่ามีเจตนานะไม่ได้พูดถ้ามีเจตนาว่าจะให้เขาปรับไหมถ้าถูกปรับไหมคนที่มาทําร้ายคนที่มาทำไม่ดีในวัดถูกปรับไหมายนี่เป็นสินใช้กว่เท่านะ แต่ถ้าแรกลร่าวว่าท่านจงปรับไหมแก่ผู้นั้นพูดออกไปด้วยเมื่อเขาปรับเอาสักห้ามาศกเทะนั้นก็เป็นประราชิกเลยโอ้อันตรายนะมึงจะห้ามพูดเด็ดขาดเลยเวลาไปทเลาะกับใครใครก็ตารวจจะมาจับใครนี่นะต้องระวังให้ดีแต่เมื่อตุลาการถามว่าใครมาทําร้ายพึงกล่าวว่าจะบอกว่าคนชื่อโนู้นดังนี้ไม่ควรแต่ว่ากล่าวว่าท่านนั้นแลจงรู้ว่าเอ็งเถิด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 แม้เขาถือเอาทรัพย์ทั้งปวงก็ไม่เป็นสินใช้แล้วก็ไม่เป็นอตบแก่พิจดุด้วยเห็นโจรรักเอาบริขารไปหวังสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่โจรแม้กล่าวว่าโจรโจรขโมยขโมยดังนี้ไม่ควรเจตนาร้ายแล้วก็หวังจะให้โจรถูกจับอันนี้ไม่ควรเพราะว่าแม้เมื่อกล่าวดังนี้เขาปลัดหมสิ่งใดแก่โจร น, นั้นทั้งปวงเป็นสินใช้แก่พิจุต้องสินใช้ด้วยนะ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 ชื่อว่าฟารบการเป็นอนาคตบอกเจาะจงแม้อันนี้ก็ไม่ควรบอกว่าคนนั้นคนนั้นอ่ะที่สังญาให้เข้ามาทำอย่างนี้นะนี่เรียกว่าฟารบอนาคตการบอกจระชงตัวได้นะไม่ควรด้วยว่าเมื่อเขาปรับไหมแก่ผู้ทำร้ายนั้นทั้งปวงก็เป็นสินใช้แก่ทิจุนั้นตั้งในก่อนวินิจฉัยนอกนั้นเหมือนอย่างกล่าวในก่อนนั้น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 ถ้าคมบินไปไต้พึงทมให้เขาทำคืนเขานะจะวิ่งไปแย่งชิงเอาปริฐานของผู้มาตัดไม้นั้นแม้อันนี้ก็อย่าพึงทำด้วยว่าจิตกลับกรอกเร็วเมื่อเถอยยะเจตนาเกิดขึ้นก็จะถึงมูลเฉดขาดมูลไปด้วยก็จะต้องประราชิบไปท่านั้นก็อันตรายก็อย่าไปแย่งชิงอะไรของคนที่มาทำอะไรในวัดแล้วกันก็บอกเขาดีๆเรื่าขออารักขาเรื่องอารักขายาชกถาจบ เรื่องการขออรักาเป็นธรรมต่อไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือจัดแสดงการบริโภคซึ่งมาในอารักขาแห่งรูปียสิกขาบทการบริโภคนั้นมีสี่อย่างก็คืออย่างหนึ่งรัชชีบริโภคเป็นการบริโภคร่วมกับลัชชีคบกับรัชชีอันที่สองอรัชีบริโภคคบกับอรัชีอันที่สามทำนิย่าบริโภคเป็นการบริโภคโดยธรำบริโภคของที่เกิดขึ้นโดยธรรมอันที่สี การทำมิยะบริโภคเป็นการบริโภคของที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบธทำเป็นสีอย่างเพิกตู่เป็นอารัตชีไม่มีอย่างอายบริโภคกับเพิกตุลัชชีนี่ไม่มีอบัตนะควรอยู่พระวินัยทรอย่าพึงปรับอาบัตเธอลัชชีบริโภคกับอรัตชีผู้เป็นลัชชียังไม่รู้ตราบใดยังควรอยู่ตราบนั้นถ้าเป็นผู้ที่มีความละอายต่อบาปแต่เป็นบริโภคกับคนที่ไม่มีความละอายต่อบาปแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเป็นอารัชีอันนี้ยังไม่มีอาบาัติ ยังควรอยู่ากาบนั้นด้วยว่าเท็กตุจะชื่อว่าเป็นอรัชชีมาแต่เดิมก็หาไม่เพราะเหตุ น, นั้นผู้เป็นลัชีรู้ว่าเธอนั้นเป็นอรัชชีเข้าเมื่อใดพึงห้ามเธอเสียเมื่อนั้นว่าท่านอย่าทําการล่วงติขาบทในกายยัตถวาลวจีทวาลทําอันนั้นไม่สมควรท่านอย่าทําอย่างนี้ถ้าเธอไม่เอื้อเฟื้อขืนทําอยู่ไซผิว่าผู้เป็นลัชีก็ยังทําการบริโภคอยู่กับเธอนั้น ผู้เป็นลัทธีนั้นก็พลอยเป็นอารัฐีไปด้วยโดยแท้คนที่เป็นลัทธีก็กลายเป็นอารัฐีไปด้วยการบริโภคร่วมนะี่แหะถ้ารู้แล้วนะแม้ผู้ใดบริโภคกับอารัฐีซึ่งเป็นคนรับภาระตนอยู่ก็คืออยู่ในภาระของตนหรือรับภาระของตนอยู่เป็นลูกศิษย์ลูกหาต่างๆแม้ผู้นี้ก็ให้พิกจุเป็นลัทธีแม้ที่นี้ก็ให้พิกจุเป็นลัทธีหมายถึงว่าคนเนี้ย ให้ไระสูตรทั้งหลายที่เป็นอรชีเนะี่ยพึงห้ามปราหมจะเป็นอุชาเป็นอาจารย์ก็หลายแต่หรือว่าเป็นลูกศิษย์ก็ให้ห้ามปราหมณ์ถ้าเธอไม่งดเสียไชเธอนั้นก็พลอยเป็นอรชีไปด้วยก็คือไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่ก็เป็นอรชีนะนะแล้วก็ต้องห้ามปล่าว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวเ้าด้วยนะไปยุ่งเกี่ยวเขาก็กลายเป็นอรชีไปอย่างนี้แหละอรชชีผู้เดียวทําผู้อื่นให้เป็นอรชีได้ถึงร้อยเลย แต่อรัตชีกับอรัตชีบริโภคด้วยกันไม่มีอบับดัตคนไม่มีความละอายกับคนไม่ละอายกับบริโภคด้วยกันก็ไม่มีอบัติอะไรรัชชีกับรัชชีบริโภคด้วยกันก็งามดังขัตติยกุมารทั้งสองเสวยร่วมในถาดทองอันเดียวกันเลยจะมีอบัติก็แต่ว่ารัชชีเป็นบริโภคกับอรัตชีนั่นแหะก็จะมีอบัตสำหรับธรรมมิยัญบริโภคกับธรรมมิยัญบริโภคทั้งสองนี้เพิ่งรู้ตามปัจจัย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 ในมหาปัญจรีกล่าวว่าผู้ทูศีลได้อุเทสพัทเป็นต้นแต่สงมาถวายแก่สงบินทะบาตเป็นต้นนั้นควรเท่าเทสพัทก็เป็นของสงเพราะว่าไปตามฐานนั่นเองฐานนั้นเป็นของสงส่วนบุคคลเป็นลัชีแต่บินทะบาตไม่ชอบรรมบินทะบาตเป็นของพึงรังเกียจอย่าพึงรับถ้าบุคคลก็เป็นลัชีแต่ว่าของนั้นไม่ชอบทมได้มาโดยการอาจจะไปเอยปากขอกับผู้ที่ ไม่ใช่ญาติโดยที่เข้าใจว่าเป็นญาติแต่ว่าก็มีคู่รู้ว่าไม่ใช่ญาติอย่างเงี้ยนะบินบาบดได้มาโดยไม่ชอบทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่เพราะนั้นก็ควรรังเกียจบินบาบดอย่าเพึงรับบุคคลเป็นลัทธิบินบาบดก็ชอบทำด้วยจึงควรควจะรับควรจะประโบเ ร, ร่วมด้วยได้ยังความยกย่องอีกสองอย่างก็คือลัทชีปัตถายกย่องลัทธิตามอัลัทชีปัตถายกย่องอาลัทชี มีการบริโภคอีกต้องอย่างคือธรรมบริโภคร่วมทำกับอมิตรบริโภคบริโภคโดยอมิตรอารัตชีจะยกย่องอรัตชีควรอยู่อารัตชีมายกย่องอรัตชีนี่ไม่มีเหตอะไรพระวินัยทรอย่าพึงปรับอาบัติเธอนั้นถ้าอรัตชียกย่องอนัตชีคือเชื้อเชิญให้อนุโมทนาให้แสดงธรรมและอุปถัมภ์ในตระกูลทั้งหลายแม้อนัชชีก็จะสรรเสริญคุณแห่งอรัตชีนั้นในบริษัทว่า อาจารย์ของข้าพเจ้าดีเช่นนี้เช่นนี้เพิ่งรู้เถิดว่าผู้นับชีนี้ทําศาสนาให้ย่อหย่อนให้เสื่อมไปถ้าไปยกย่องพวกภิกษุอารักษชีทั้งหลายความเป็นอารักษชีก็มีลักษณะสามอย่างก็คือเป็นผู้ที่รู้อยู่แล้วก็แกล้งลวงอบัติรู้อยู่แกล้งลวงอบัติอันที่สองไม่แสดงอบัติทืนอันที่สามเป็นผู้มีอคติมีอคติ น, นี้เป็นลักษณะของอารักษชีแต่ถ้ารักษ์ชีก็ตรงกันข้าม เป็นผู้ที่รู้อยู่ก็ไม่แกล้งล่วงอบัตหรือว่าอาบัตแล้วก็สแสดงคืนอันที่สามเป็นผู้ที่ไม่ถึงอาาตัตติเป็นลัชีเพราะฉนะนั้นก็าลัชชีนี่ไปยกย่องอัลลัชีให้สแสดงธรรมให้อานุมโมทนาร่งางต่างเหล่านี้ก็ชื่อว่าทำศาสนาให้ย่อหย่อนให้เฟื่องไปเลยนะก็แลในธรรมะบริโภคและอามิตรบริโภค น, นั้นการร่วมอามิตรควรในผู้ใดแม้ การร่วมธรรมก็ควรในผู้นั้นด้วยกัรจะบริโภคทั้งอามิททั้งธรรมเนี่นะหมายถึงว่าถ้าสามารถที่จะมีการบริโภคกับรัชีเนี่ยรัชีบริโภคก็าสามารถที่จะร่วมทั้งอามิตรแล้วก็ร่วมทั้งธรรมะได้เลยแต่คมภีใดตั้งอยู่ในที่สุดมีแต่คนทุศีลส่งไว้เมื่อร่วมคนทุศีล น, นั้นแล้วจะชิบหายเสียและจะเรียนคำพีนั้นในสำนักคนทุศีลด้วยอนุเคราะห์แต่ธรรม ท่านว่าควรอยู่ปกติแล้วแม้ธรรมะก็ไม่ควรไปเรียนกับคนทุสีเพราะว่าจะกลายเป็นอารัชีบริโภคบริโภคอารัชีเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรไปเรียนกับคนทุศีลหรอกแต่ว่าถ้าคมภีรใดกําลังจะเสื่อมถูนไปแล้วนี่นะไปเรียนด้วยการอนุเคราะห์ให้ธรรมะนั้นสืบต่อไปอันนี้ควรอยู่นางพิกษุทุศีลรูปหนึ่งทรงคมภีร์มหานิเทศไว้แต่ผู้เดียวไม่มีผู้อื่นทรงไว้ได้ พระมหาราชิตะเถระอันพระติตาเถระผู้เป็นอุปชาใช้ให้ไปเรียนท่านก็ได้ไปเรียนโดยที่อุปชานี่ก็ไปนั่งเป็นเพื่อนเลยนะเพราะว่าพระมหาราชิตานี่รู้อยู่แล้วว่าคนนี้ทูศีนผมไม่ไปเรียนหรอกอุปชาก็เลยบอกผมจะไปนั่งเป็นเพื่อนท่านไปนั่งเป็นเพื่อนเลยผมไปท่านไปเรียนเสร็จแล้วในวันจบคัมภีร์ได้เห็นสตรีอยู่ใต้เตียงเป็นตัวอย่างท่านพระมหาราชิตออกมาก็บอกกับอุปชาผมรู้อย่างเนี้ยผมไม่มาเรียนด้วยหรอก รู้อย่างนี้ผมไม่มาเรียนด้วยผมรู้ตั้งแต่ทีแรกแล้วับบนอุปชางท่านก็ให้นุกคราะห์ศาสนาอันนี้ก็เป็นเรื่องการบริโภคบริโภคคาถาจบรักชีบริโภคอารัชีบริโภคธรรมนิยะบริโภคอธรรมนิยบบริโภควันนี้ก็สมควรกับเวลาขอขอให้ท่านได้ศึกษาในอาทิตยสิทธิศษาเพื่อกลุ่มการศิษาบทซึ่งเป็นไปในศีลซึ่งเป็นพื้นฐาน ในการที่จะอบรมไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นมรรคพระพรหมจันทร์ซึ่งมาจากศาสนาพรหมจันทร์คำสอนของพระสัมมาสมัมพุทจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นก็ขอให้ได้อบรมอริยมรรคระยะสายสินเป็นพื้นฐานมีสมาธิความตั้งมั่นมีความภาคเทียนในการที่อบรมจิตให้หมดจดจากกิเลสแล้วก็บริสุทธิ์หลุจทนได้ด้วยปัญญาด้วยกันทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุ